แล้วก็ส่วนที่ควรฝึกคิดอีกว่าถ้าชาวนะเหล่านี้เกิดขึ้นเฉพาะทางปัญจทวานนี้ปกติไม่ทําวิญญัติรูปถ้าเป็นชาวนะทั้งสิบสองที่เกิดทางมนโนทวานที่ทําวิญยต์เนี่ยกายวิ ญ, ญัต์มันจะเป็นแบบไหนอ่านนะลีลาของคนมีโลภะเป็นยังไงบ้างนะลีลาที่เกิดจากโทสะเป็นยังไงบ้างอ่านะคำพูดที่เกิดจากโลภะเป็นยังไงคําพูดที่เกิดจาก โทสะเป็นยังไงเพราะถ้ารู้เรื่องจิตดีจะวิเคราะห์ถึงจิตที่มันเป็นปัจจัยต่อรูปต่อไปด้วยพิจารณาจิตเสร็จแล้วต่อด้วยการพิจารณารูปก็เริ่มฝึกแบบหยาบๆก่อนก็ได้หรือจะเอาละเอียดยิบได้ก็ตามใจก็แล้วแต่บุญกันแล้วกันแต่ว่าสำคัญที่สุดคือเอามามาฝึกเอามาฝึกมาลองคิดดูเริ่มฝึกจากง่ายๆก่อนก็ได้ ลองยกตัวอย่างมานะเสียงรถนี้ก็ได้เจิตดวงไหนเกิดบ้างแล้แต่โกรธทําอะไรรถนอนั่นแหละถ้านั้นก็ไม่ใช่กุศลใช่ไหมไม่ใช่กุศลก็สองในสิบสองเกิดในชาวนานะสองในสิบสองเสียงแบบนั้นทั่วๆไปก็ถือว่ากุศลวิบากหรืออกุศลวิบาก ถ้าคนรอรถนะอาจจะ ก, กุศลวิบากอยู่ <c oughs> คือเราเอาเอาชาวนะาของเรามาตัดสินเองอ่ะนะก็มาวิเคราะห์ว่าโดยสภาวะอันนั้นดีหรือไม่ดีก็ว่าโดยทั่วๆไปอ่ะนะในทวารอื่นก็ในยะเดียวกันนะถ้าฝึกคิดเฉพาะอาโสพภณจิตก่อนว่าเมื่อเห็นแล้วอสุภณะจิตเนี่ยนะสิอะไรเกิดบ้างแต่ของเราเนี่ยให้เอาออกไปหนึ่งดวงคือห้าสิตุ ป, ปาทจิตนี่ไม่มีแน่นอน นะผู้ที่ไม่ใช่ผ้าอรหันต์น่ะนะที่เหลือก็มาฝึกคิดแบบนี้เรื่อยๆอไม่ทราบมีใครเคยไปลองฝึกแบบนี้บ้างหรือเปล่าไม่ทราบนะฝึกแยกแยะดูว่าสามสิบนี่มีเนี่ยเห็นเป็นอารมณ์และจิตอะไรนะมันเกิดบ้างคือให คือให้ความรู้เหล่านี้มันมันอยู่เหมือนกับอ่านหนังสือนะให้มันเหมือนกับอ่านหนังสือที่เรียกว่าไม่ใช่ว่าผสมตัวได้แต่ในในห้องเรียนอะไรเงี้ยนะก็อยู่ที่ไหนก็ให้มันเข้าใจแบบนี้เป็นเป็นเรื่องธรรมดาเลยเห็นปั๊บจิตอะไรเกิดบ้างได้ยินปั๊บจิตอะไรเกิดบ้างเยนะเพราะสิ่งเหล่านี้คือไวยกรธรรมะอภิธรรมนี้เป็นธรรมะประเภทไวยกรเธอว่าเป็นไวยกรนี้แปลว่าโดยศั์แล้ว่าสิ่งที่ทาให้แจ้ง นนะหรือเป็นตัวเข้าไปวิเคราะห์เข้าไปแยกแยะนะก็มันฝึกใหม่ๆนี้ก็ก็มันช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรถ้าฝึกสักกี่กลับดีไม่ถึงขนาดนั้นมั้ง น, นะไหนๆก็สำคัญว่านับกลับไม่ทืวนไม่เป็นไรสำคัญว่าวันนี้ไปคิดสักครั้งหรือยัง น, นะสำคัญตรงนั้นแต่ถ้าวันนี้ก็ไม่พรุ่งนี้ก็เอาไว้ก่อน ปรือนี้ก็ยังไม่รีบอะไรแต่นี้ก็อาจจะไหลกลับก็ได้เพราะตามที่สังเกตจากคําที่ผลัดกนะทีนี้เมื่อเรียนอกุศลนี้มาดูกุศลบ้างนะมหากุศลที่เกิดขึ้นมหากุศลนี้ก็ยังเป็นกามาวจรกุศลอยู่สูตรมาเต็มว่ามหากุศลแปดมหากุศ ล, ลจิตนะแปดดวง แปดดวงวิธีเอามาคิดก็3าคำอ่ะนะที่เราเคยพูดไปแล้วหนึ่งโดยเวทนาเนสองโดยสัมปโยคะ 3. โดยสังขารตัวนี้ ค, คือคือสูตรเอาไว้เอาไว้มาแยกคิดถ้าโดยเวทนากุศลเกิดได้สองเวทนาคือสมนัตเวทนากับ อเบขาเวทนาเป็นสองอันนะส่วนสัมประโยชน์ขานี้ยกเอาปัญญาขึ้นมาเป็นตัวอย่างเนี่ยนะจริงๆแล้วมีอย่างอื่นด้วยแต่ว่ายกเอาปัญญามาเพื่อจะได้แยกแยกจิตว่าเอายานเข้ามาคือมีปัญญากับไม่มีปัญญาเรียกว่ายาณวิยาณ ส, สัมสญาณสัมประยุทธ์เนี่ยแปลว่า กืร่วมกับปัญญาทยานวิปประยุทธ์ก็คื อ, อปราศจากปัญญาสามนีแ่แปลว่าพร้อมหรือประกอบวิเนี่ยมันมันหน้ามือกหลังมือมันต่างเป็นอื่นไปเลยเพราะฉะนั้นไม่ประกอบร่วมกับปัญญาทีนี้สามประยุทธ์ก็แบ่งออกเป็นสองคือโดยสังขารคือมีการไม่มีการชักชวนกับมีการชักชวนนี่ก็สองคือไม่มีการชักชวนกับ มีการชักชวนโสมนัสก็แตกเป็นสี่อุเบชาก็แตกเป็นสี่ก็เป็นแดดวงด้วยประการชนนีแ้แหละจำสามคำนะัเวทนาสัมปโยคากับสังขารแล้วก็จะแยกออกได้ทั้ง8ดโสมนัสสรุปว่าโสมนัส4ี่ดวงอุเบชากสี่ดวง ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าจิตเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นกุศลเห็นไหมจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้จิตฉันเป็นมหากุศลอยู่นะเพราะปกตินะถ้าพอพูดในแง่ itions, กุศลอกุศลนะคนทั่วๆไปเวลามีโลภะอยู่ถ้าใครไปบอกว่าเขาอากุศลอยู่นะไม่ค่อยจะยอมรับถ้าไปบอกว่าเขากุศลอยู่ทั้งทั้งจรงิจรงๆก็เป็นอกุศลแต่ก็ยิ้มยิ้มมันนะแต่ก็มันก็อกุศลนั่นแหละแต่ว่าถ้าใครเหมือน เ, เหมือนเหมือนอะไรเหมือนกับว่า คนที่อายุมากๆอ่ะนะสักแปดเก้าสิบไปแล้วเนี่ยใครไปทักว่าโอ้โหคุณเนี่ยยังอายุห้าสิบนะจริงๆก็ไม่เชื่อหรอกแต่ว่าก็ชอบอะบางทั้นเดอะก็เป็นลักษณะนั้นอ่ะกุศลเอ่อขออภัยกุศลเหล่านี้โดยทั่วๆไปท่านเอาบุญยะกิริยาวัตถุมาจาับวัตถุแปละว่าเหตุเนี่ยนะเอ่อที่วัตถุแปละว่าที่ตั้งก็ได้กิริยาก็คือการกระทา ซึ่งบุญเนี่ยนะก็เอาเรื่องการทำบุญมาวัดนะว่าจิตตอนนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปกับบุญแสดงว่าตอนนั้นเป็นกุศลถ้าไม่เกิดร่วมกับบุญก็ไม่ใช่กุศลบุญที่เอามาจับคืออะไรหนึ่งทานนกุศลสองศีลกุศล3ภาวนากุศลเนี่ยนะเอาเอาทานศีลภาวนาเนี่ยมาจับแบบคร่าวๆก่อนถ้าทาน ตัวที่ที่เรากาลังพูดนี้คือกุศลอยู่ใช่ัหมกุศลเนี่ยตัววัตถุหรือตัวอารมณ์ ต, มตัวจิตนะไม่ใช่ทั้งวัตถุไม่ใช่ทั้งอารมณ์นะเอาตัวจิตหมายถึงโดยทั่วไปอธิบายว่าเจตนาเป็นตัวทานบางทีก็สัมปยุตรธรรมนั่นแหละที่เกิดร่วมกับกุศลทั้งหมดเป็นตัว ถ, ถ้าเจตนาที่จะให้มีนะ อัญยสมนาเจตสิกสิบสามโสภาสาธารณะเจตสิกสิปัญญาเจตสิกอีกหนึ่งเนี่ยนับเนื่องเป็นทานักุศลหมดเลยทั้งหมดนะเป็นกุศลที่เป็นทานักุศลทั้งหมดแต่ว่าตัวที่เด่นๆที่เอามาวิเคราะห์ก็คือเจตนาเนะี่ยเป็นอันดับแรกเจตนานั้นต้องเป็นเจตนาที่เจตนาที่ให้อันนี้เป็นทานักกุศลเนี่ยนะเจตนาที่ให้ นี่ก็มาดูว่าตัวที่ให้เนี่ยให้วัตถุอะไรบ้างวัตถุที่ให้นะก็เราเรียนอภิธรรมอยู่ก็ต้องแยกแบบอภิธรรมคือให้รูปให้เสียงให้กลิ่นให้รสให้โภภพธพภะให้ธรรมะธรรมะเป็นอารมณ์ถ้าพูดแบบพระวินัยคือจีวรบางคนเนี่ยจีวรเนี่ย เป็นได้อะไรบ้างบางคนให้ผ้าเพราะปรารถสีของของผ้านั้นนั้นเป็นอารมณ์จึงให้ทานนีมีไหมอ่อเป็นผ้าแต่เขาจะต้องให้สีขาวเท่านั้นเขาจะไม่ให้สีอื่นอย่างเงี้ยนะหรือเขาจะต้องการให้สีเหลืองหรือสีแดงหรือสีน้ำเงินสีอะไรก็ตามเขาถือเอาสีเป็นหลักแต่แต่ตัวสีจริงๆมันก็ต้องอาศัยผ้าเป็นต้นนั้นผ้าก็ปรารสีก็มีบางคนเนี่ยให้ถวายผ้าเพราะปรารถเสียงของผ้า นะคือคื อ, อปลารบเสียงเช่นเขาได้ยินเสียงผ้ามันโบกมันพัดอ่ะนะเขาชอบเสียงแบบนั้นไอ้ผ้านี่มันให้เสียงแบบนั้นเขาก็เลยถวายผ้าเพราะปรารบเสียงบางคนนี่ปลารบกลิ่นเขาจะให้ผ้าแต่เขาต้องไปอบกลิ่นก่อนนี่นะหรือทําให้มีกลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วค่อยให้บางคนเนี่ถือว่ารถรถในที่นี้หมายถึงรถสัมผัสมันใช่ดีหรือใช่ไม่ดีบางคนนี่ปรารบว่าผ้านี้แบบอย่างเนื้อหยาบหรือเนื้อ ละเอียดเนี่ยนะก็ปรับปารลอันนั้นถ้าธรร ม, มละล่ะที่เป็นผ้านะปรลบยังไงนนหาคำอธิบายยากตัวพระแต่ถ้าเป็นบินทบาทนะถ้าเป็นอาหารอันเนี้ยชัดได้ทั้งหปารลบสีเนี่ยนะบางคนถวายข้าวบางอย่างเพราะปารลบสีใช่ไหมเช่นข้าวหอมมะลิบางคนเพราะปารลบสีที่ไม่เลือกข้าวย่างอื่นเพราะเลือกข้าวหอมมะลิเพราะสี บางคนเลือกเพราะกลิน่นบางคนไม่ได้ต้องเอาไปทอดให้มันได้ยินเสียงก่อนต้องมันกรอบด้วยอะไรด้วยจึงจะเป็นที่พอใจาบางคนก็ต้องแต่งรถต้องอต้องรถขนาดนี้นะบางคนต้องมต้องตอนร้อนๆด้วยแล้วถ้าทำอารมณ์ะนะานอันนี้แล้วทำให้มีพะ ล, ะลังทำให้ อ, อ, อชาเนี่ยดีเข้าไปหล่อเลี้ยงทำอารมณ์ก็มองในแง่อชาเป็นหลัก ว่ามีประโยชน์ต่อต่อร่างกายมากพวกนี้ปรารภทำอารมณ์ดังนั้นอาหารปรารภได้ทั้งหอารมณ์ที่อยู่อาศัยก็ปรารภได้ทั้งหนะที่อยู่บางคนให้ที่อยู่เนี่ยต้องแต่งสีแบบนี้เลยเนยต้องต้องทรงต้องแบบนี้ต้องทาสีแบบนี้พื้นต้องสีนี้ฝาต้องสีนี้หลังคาต้องสีนั้นพวกนี้ปรารภสีเป็นอารมณ์ ตารบบางคนก็ตารบเสียงว่าไม่ใช่ว่าลมพัดมาแล้วก็แหม่เสียงดังลั่นไปหมดนะตารบต้องเงียบต้องอะไรมานนั่นก็ตารบเสียงให้มันเสียงน้อยหรือว่าต้องเคยไปสังเกตนะพวกเรไปที่ลำพูนนะเขาตารบกระดิ่งไงทำกระดิ่งสร้างโกติต้องมีกระดิ่งด้วยอะไรเงี้ยนะสร้างโบสต้องมีกระดิ่งด้วยวันนี้ก็ให้ให้เสียงบางแห่งเก็บเสียงไม่ให้มีเสียงเข้าเลยอ๋อไม่ให้เสียงสะท้อนนะตารบว่าถ้าพูดแล้วเสียงต้องไม่ก้อง แต่เช่นฝาผนังเนี่ยต้องหาอะไรมาบุหรือเพดานหาอะไรมาบุพื้นหาอะไรมาปูไม่ให้มันเสียงมันก้องหรือเสียงให้มันพูดดีะนะบางคนก็ปรรบเสียงบางคนก็ปรรบกลิ่นนี่นะเช่นสมัยพุทธกาลนี่เขาใช้คําว่าพระคันธกุฏิอ่า น, นะโดยจะเอาอไม้จันท์เป็นต้นเนี่ยมาสร้างกุฏิให้เป็นกุฏิที่มีกลิ่นหอมอยู่ตลอด หรือไม่ถ้าไม่หอมก็หาอะไรมาอบให้มันหอมเนี่ยนะถ้าเป็นกุฏิพระพุทธเจากก้าเขาจะประปารถกลิ่นเนี่ยมากรถก็คือรถในการใช้สอยส่วนโพธะะเนี่ยนะก็ปรารถอุณภูมิเช่นว่าถ้าหน้าร้อนก็อย่าให้ให้มันเย็นใช่ไหมถ้าหน้าเย็นก็ให้อุ่นพอดีอันนี้ปรารถโพธะะส่วนปรารถธรมรมารมละก็คือเรียกว่าถ้าอยู่แล้วกุศลเจริญเป็นต้นนะปารถที่ที่ ให้เขากุศลเจริญะนะพวกนั้นก็ปารัธรรมะไปยาก็นับเนื่องในอาหารนะตัวยานะตัววัตถุนี้เขามองในแง่วินัยแต่ถ้ามองอารมณ์นี้จะมองในแง่พระพธิธรรมหรือจะมองแบบพระสูตรก็ได้ให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ยานพาหนะประทีปโคมไฟดอกไม้ของหอมแต่ว่าดโดยอภิธรรมก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโพธภะและธรมรมารมณ์พรเจตนาที่จะให้วัตถุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่า ทาน ก, กุศลนะ <c oughs> เอาเอาเจตนาที่คิดให้เป็นเกณฑ์นะให้ก็ไม่ใช่คิดให้แบบค้าขายด้วยนะที่ที่ให้ก็ให้อะไระการให้ก็แบ่งแบ่งออกเป็นสองกลุ่มให้เฉยๆก็มีนึกอยากให้อย่างที่สองให้แบบปรารภกรรมเป็นเบื้องหน้ า, านะก็มา ฝรั่งเขาถวายอาหารเนียังงงเอ้ยฝรั่งคิดยังไงก็ถวายอาหาร <c oughs> มีวันวันนั้นอ่ะวันที่ไปวันนั้นมีฝรั่งแม่ลูกเขาก็แบบเขาเห็นเราฉันอยู่เขาก็เล ย, ยท่านอ่ะเขาก็ชี้มานะก็ชี้เสร็จแล้วก็คนบนเครื่องเขาก็เอามาถวายให้บอกเอ้มันประกอบด้วยปัญญาหรือเปล่าวันนี้นั่นนะเขาเป็นฝรั่งอ่ะนะเขาก็เอ้เขาให้ทานอ่ะนะก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรมาก่อนไม่ใช่โยมทอมนะ คนละคนไม่ทราบแต่ว่าเขาให้ทานนะที น, นี้เราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาปรารภยังไงว่ายาณสัมปยุทธหรือวิปยุทธผู้ที่ยาณสัมปยุทธนะถ้าให้ทานโดยมากปรารภกรรมเป็นเบื้องหน้าปรารภกรรมเป็นมั่งเน่าปรารภว่ายัางไงปรารภว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นเหตุแห่งวิบากมีวิบากอย่างหนึ่งอันนะ ทีนี้วิบากก็มาคัดดูว่ารู้ว่ามันจะมีวิบากขนาดไหนอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเจริญเพื่อเอาอุปนิสัยให้ทานเพื่อเป็นอุปนิสัยของภาวนาพวกนี้ก็จะเป็นยานสัมปยุต ท, ทั้งหมดเลยก็เอ๊ะวันนี้ทําไมเจริญสมถะเจริญนิปัสนาไม่ค่อยดีไปให้ทานให้มันสดชื่นให้มันสบายใจจะได้มาอบรมมณีต่อเนี่ยนะพวกนี้ก็จะเป็นยานสัมปยุตหมดนั่นเ ออบางทีเจริญนี่หาทำบุญหน่อยหาให้ทานหาทำอย่างอื่นก่อนให้มันสบายๆแล้วจะได้มาอบรมสมถาวิปัสสนาต่อไปพวกนี้ก็ได้เพราะให้ทานพวกนี้เป็นบริขารเพื่อป ร, ปรับปรุงแต่งจิตใจเนี่ยนะยังทําไมสมมตินะผมมานึกเกิดไม่ชอบคุณชูหมมมาเออเจริญเมตตาให้คุณชูหมมยังไงก็เจริญไม่ได้ให้มีอะไรฝากคุณชุหมมตั้งแต่นะไปให้แก ใ, ให้เสร็จโอ้เจริญเมตตาสวัสดิ์สมมตินะลักษณะเนี่ย เพราะฉะนั้นบางคนนี่จะให้ทานก่อนแล้วจะได้เจริญภาวนาได้ถามว่ามองแบบนี้เป็นอุปนิสัยแก่วิบากซึ่งหมายถึงมีผลต่อไปกับในแง่อุปนิสัยก็คือวิบากเหมือนกันแต่คนละปัจจัยเดี๋ยวนะถ้าเจตนาเพื่อให้เกิดเป็นกุศลยย่งยิ่งขึ้นไปพวกนี้เป็นปกตูปนิสยปัจจัยแต่ถ้ามุ่งว่าเจตนาสาธุ ให้ทานด้วยข้าวข้าพเจ้าชาติหน้าฉันใดอย่าให้อดข้าวอีกเหมือนชาตินี้เลยอย่างนั้นนะเอาแบบเมธกาเศรษฐีเขาบอกว่าขึ้นชื่อว่ายังเวียนว่ายอยู่ในวัตตะตราบใด้ความอดอยากหอยหิวเช่นนี้อย่าได้มีอีกต่อไปเลยเนี่ยนะพวกนี้ก็ปรารบวิบากเนี่ยน ะ, ะบางพวกก็ปรารบเพื่อเจริญกุศลต่อไปบางพวกก็เอาทั้งสองเลย ขอให้ข้าพเจ้าไม่ได้เดือดร้อนเรื่องปัดใจสิข้าพเจ้าจะเดินจะได้จเจริญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกวังนั้นชาตินี้จเจริญภาวนาได้ไม่ดีนักเพราะมันปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องนี่แหละไม่ค่อยดีชาติหน้าขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้เดือดร้อนเรื่องอาหารเลยจะได้มีเวลาเนี่ยบำเพ็ญภาวนาให้มากเพราะอย่างหลายๆคนเนี่ยนะอย่างอย่างฟังธรรมนี่เป็นบุญประเภทภาวนาใช่ไหมบางคนมาไม่ได้เพราะเนื่องจากวิบากไม่ดี วิบากไม่ดีเช่นถ้าเข้ามาเขารู้เลยว่าอีกสามวันข้างหน้าเขาเดือดรนน้อนแน่เพราะฉะนั้นเขาก็เลือกรับวิบากก่อนโดยที่ยอมขาดภาวนาเพราะฉะนั้นบางคนก็มุ่งให้มันได้ทั้งสองตัวเห็นไหมอย่างของเราทั้งหลายอย่าไปคิดว่าโอ้โหฉันนึกอยากทําอะไรก็ทําได้จริงๆอะ่ะอุปนิสัยเก่าเราเคยตั้งเอาไว้หลายส่วนแล้วมันจึงมาได้อะไรที่มันประจวบเหมาะตั้งหลายๆเรื่องเนี่ยนะไม่เคยตั้งไว้นี่โดยมากแล้วก็ยากเพราะว่าก็ว่า ฟลุกฟลุกนี่แปลว่าอะไรบังเอิญนะไม่มีทุกอย่างบังเอิญเนี่ยไม่มีหรือเกิดเลยลอยไม่มีที่เป็นอเหิตุกะเนี่ยนะหรือสิ่งที่ทำนี่เป็นนัดนัดนัดทิกะไม่มีผลหรืออกิริยะไม่มีไม่เป็นเหตุไม่เป็นปานกระทําก็ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุต่อไปอีกข้างหน้ า, านะครับทุกอย่างเกิดจากปัจจัยผู้ที่ปรารบวิบากเป็นเบื้องหน้าทั้งเพื่อภาวนาและเพื่อ วิบากและกรรมาชารูปนะพวกนี้ก็ยาณสัมปยุตทั้งนั้นจะให้ให้เสียงเป็นอารมณ์ให้กลิ่นให้รสให้โพทภาพเป็นอารมณ์ก็ได้ก็ถ้าถ้าให้เสียงเป็นอารมณ์นะปรารบตัวเสียงเนี่ยถามว่าเป็นได้ไหมก็ก็บอกว่าผู้ที่แสดงธรรมบางทีะนะเอเราน่าจะให้เสียงที่ อันนี้เคลื่อนเสียงอยู่ระดับนี้นะเราน่าจะให้น้ําเสียงอยู่เท่านี้ปรารบตัวเสียงเลยว่าตัวน้ําหนักเสียงควรจะอยู่เท่านี้ไอพวกนี้ให้เสียงเป็นทานเขาบอกว่าให้เสียงเป็นทานอีกอย่างหนึ่งคือพวกที่ให้อุปกรณ์ที่ส่งเสริมเรื่องเสียงอย่างเดียวเช่นให้ยาเพื่อบํารุงเสียงให้ยาเพื่อรักษาเสียงให้เครื่องเสียงอะไรทั้งหลายแหละพวกนี้ปลารบเสียงเป็นอารมณ์นี่นะ หรือบางคนนี่ทากุศลแล้วปรารบกลิ่นเนี่ยนะซึ่งก็มองวิบากทั้งสองตัวเนี่ยเพื่อภาวนาไงก็ภาวนาก็สูงที่สุดแล้วก็มาิยกตัวอย่างเรื่องของกรรมคือญาณนะสัมปยุทธ์นะอันนี้เรากำลังพูดทานนกุศลอย่างเดียว ลำพังทานกุศลมันได้เท่านี้จริงๆแต่ถ้าให้แต่ปรารบศีลก็ได้ปรารบภาวนาก็ได้กิริยาเหมือนกันแต่ถ้าอย่างนั้นจะไม่เรียกว่าทานนะจะเรียกว่าภาวนาแทนนะแต่นี้เรากําลังพูดในหัวข้อว่าการให้ทานแต่กิริยาให้เหมือนกันบางคนอาจจะเป็นศีลก็ได้